วแกไอโบเจ้าแล้วบวกแก้วบวคําบอโจดบอจําทั้งบวกคาบัวกแก้วเจ้าปีบ้านเฮาเหมือนแม่งเมาถอดปี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 บางคนใจเข้มยิ่งกว่าเกลือกินกับเมียงบอกเคยจริงใจอายบอกแล้วยังเถียงบางคนใจเข้มยิ่งกว่าเกลือกินกับเมียงบอกเคยจริงใจอายบอกแล้วยังเถียง ไปเดินเคียงคู่คนใจดำบอกเจ้าแล้วบวกแก้วบวคำกอดจดกอจจำทั้งบวคำบัวแก้วไอ้บอก ดิบบานป่าเืนลืมตาผู้เขาเฮาสุขลำคอนโดตึกสูงแต่จุงใจคนให้ตกต่ำลับแลเมืองทุเรียนหลังซาแต่ยังขาดคนหฮือปุยเฮือน้ำไม้กวาดยังขาดคนหา ยังซ้อมเหมือนแม่งเมาเ้าไฟเลยแก้วเอ้ยคำเอ้ยเฮานี้บอกเคยคึดรังเกียจเธอยังรักเสมอทั้งบวกคำบวกแก้วบอกเจ้าแล้วบวกแก้วบวกคำบอกจดบอกจำทั้งบวกคำบวกแก้วให้บอกเจ้า บอกเจ้าแล้วบัวแก้วบัวคำบโจทบอจำทั้งบัวคำบัวแก้วไอบอกเจ้าแล บัวแก้วบวคำบัเจ๊บบัวจำทั้งบัวคำบัวแก่